คาถาซาดดีพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชวีวันเสมอด้วยสีริ่มทองสิงขีทรงฝึกอินทรีแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชครึกพร้อมด้วยเหล่าภิกษุที่เคยเป็นะดินผู้ฝึกอินทรีแล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชวีวันเสมอด้วยสีริมทองสิงขี ทรงพ้นแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยเหล่าภิกษุที่เคยเป็นฉดินผู้พ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วภาพผู้มีพระภาคทรงมีพระชวีวันสเสมอด้วยสีลิมทองสิงขีทรงข้ามแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยเหล่าภิกษุที่เคยเป็นชดินผู้ข้ามแล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชวีวันเสมอด้วยสีลิ่มทองสิงขีทรงสงบแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชครืพร้อมด้วยเหล่าภิกษุที่เคยเป็นชดินผู้สงบแล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงอยู่จบรำสิบประการ ทรงมีทศพลยานทรงทราบธรรมสิบประการและทรงประกอบด้วยธรรมสิบประการมีภิกษุ1000รูปเป็นบริวารได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชครึกคนทั้งหลายได้เห็นเท้าส ก, กะจอมเทพแล้วพากันกล่าวว่ามานพนี้มีรูปงามหนอมานพนี้น่าดูหนอมานพนี้น่าชมหนอมานพนี้เป็นผู้รับใช้ของใครหนอ เมื่อคนทั้งหลายกล่าวอย่างนั้นแล้วเท้าสกะจอมเทพได้ตรัสตอบคนเหล่านั้นเป็นคาถาว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงเป็นนักปราดทรงฝึกในอินทรีย์ทั้งปวงเป็นผู้ผุดพองไม่มีผู้ใดเปรียบทรงไกลจากกิเลสเสด็จไปดีในโลกข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น